ทีนี้ข้อที่เหลือเนี่ยนะถัดหลังมาก็เป็นวันณกะสินที่เรียกว่าวันนากะสินกระสินสีเขียวสีเหลืองสีนะกระสินสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวยกตัวอย่างผู้ที่เจริญกสินได้ชาญสีบอกว่าผู้หนึ่งมีความสําคัญในอารูปภายในคือไม่ได้เจริญร่างกายอะไรภายในหรอกเห็นรูปภายนอกสีเขียวแสงเขียวรัศมีเขียวเปรียบเหมือนดอกผักตบสีเขียว แสงเขียวรสมีเขียวหรือผ้าที่ทำที่เมืองพาราณสีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองข้างสีเขียวเขียวแสงเขียวรสมีเขียวฉันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอารูปภายในเห็นรูปภายนอกสีเขียวอะนะ เขียวสีเขียวแสงเขียวรัศมีเขียวก็ฉนนั้นเหมือนกันครอบงามรูปเหล่านั้นมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพายตนะข้อที่ห้าพวกน้ เ, จ ร, นนเนนะจริญนีลกสินเนี่ยนะเจริญนีลกสินที่เป็นวันลกสินที่สวยงามเนี่ยนะก็ได้ฌานนี่ก็กสินนี้ก็ระดับฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่นั่นเองอีกผู้หนึ่งข้อที่หกเนี่ยนะมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีเหลืองหมายว่าเจริญ อสีเหลืองปีตักสิลนเนี่ยนะปีตักสิล์นสีเหลืองสีเหลืองแสงเหลืองรัศมีเหลืองเปรียบเหมือนดอกกัิกาเหลืองสีเหลืองแสงเหลืองรัศมีเหลืองหรือว่าผ้าที่ทําที่เมืองพาราณสีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองข้างเหลืองสีเหลืองแสงเหลืองรัศมีเหลืองเมชันใดผู้หนึ่งมีความสําคัญในรูปภายในหมายความไม่ได้เจริญกสิลรูปกสิลภายในร่างกายตัวเองแต่พิจารณาเห็นรูปภายนอก คือวันณกะสิลสีเหลืองอั น, นะแสงเหลืองรัศมีเหลืองฉันนั้นเหมือนกันครอบงำรูปเหล่านั้นมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิภายตนะข้อที่หกนะข้อที่หก็คือพวกปีตากะสิลป์ศิลปสีเหลืองนั่นเองส่วนกสิลป์ต่อไปอีกผู้หนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในหมายความไม่ได้เจริญกรรมฐานในกสิลปภายในร่างกายตัวเองแต่พิจารณาเห็นรูปภายนอกคือ กินภายนอกที่เป็นสีแดงสีแดงแสงแดงรัศมีแดงเปรียบเหมือนดอกชบาแดงสีแดงแสงแดงรัศมีแดง หรือว่าผ้าที่ทําที่กรุงพาราณสีมีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองข้างแดงสีแดงแสงแดงมีรัศมีแดงเมฆฉันใดผู้หนึ่งมีความสําคัญในอารูปภายในเห็นรูปภายนอกแดงสีแดงแสงแดงรัศมีแดงฉันนั้นเหมือนกันครอบงามรูปเหล่านั้นมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพภาญตนาข้อที่เจ็ด อีกผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีขาวอันนี้พวกกระสินสีขาวนะสีขาวแสงขาวรสมีขาวเปรียบเหมือนดาวประกายพรึกเนี่ยนะดาวที่มีแสงสว่างสีขาวแสงขาวรสมีขาวหรือผ้าที่ทำที่เมืองพาราสีทั้งสองข้างขาวสีขาวแสงขาวรสมีขาวฉันใดผู้หนึ่งมีความสาคัญใน อะรูปภายในเห็นรูปภายนอกขาวสีขาวแสงขาวมีรสมีขาวฉะนั้นเหมือนกันครอบงามรูปเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภพิพายตนะข้อที่แปดเนี่ยนะเรายกอภิพายตนะหมายคือว่าพระองค์เนี่ยได้ฌานจากทุกอารมณ์พระองค์เนี่ยสามารถที่จะเข้าฌานในร่างกายภายในเป็นอารมณ์ก็ได้สีอะไรก็ได้ สีเหลืองอ่สีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวก็ได้หรือจากกะสินภายนอกสีอ่เขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวอะไรก็ได้พระองค์นั้นมีจิตเป็นสมาธิมีอุปจาระอ่าปัสมาธิมีอ ป, ปนาสมาธิประสงค์จะเข้าฌานที่หนึ่งสองสามสี่อย่างไรก็ได้ขณะเดียวกันไม่ใช่เท่านั้นนะพระองค์ยังสามารถก้าวล่วงฌานแต่ละฌาน ตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายาตนะก็ได้ดูก่อน อ, นอนุวิโมกแปดอย่างเหล่านี้แปดอย่างเป็นฉนัยภิกษุผู้มีรูปหมายความว่าเจริญกสินภายในเห็นรูปนะแต่ว่ามีรูปภายนอกอันนี้เป็นวิโมกข้อที่ห น, นึ่งอวิโมกข้อที่หนึ่งก็เท่ากับอะไรอภิพาญตนะข้อหนึ่งข้อสองส่วนวิโมกข้อที่สองมีความสําคัญอารูปภายในเห็นรูปภายนอกอันนี้เป็น วิโมกข้อที่สองก็เท่ากับอภิภายตนะข้อที่สามและข้อที่สี่นั่นเองส่วนข้อที่ภิสูจนน้อมใจวันนี้งามอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สมก็เท่ากับอภิภายตนะข้อที่ห้าหกเจ็ดปดเนี่ยนะข้อห้าหกเจ็ดปดทีนี้ต่อไปก็เลยไปอีกว่าเพราะล่วงรูปประสัญญาโดยประการทั้งปวงดับปฏิฆาสัญญาไม่กระทํานานต่สัญญาไว้ในใจ ภิกษุเข้าถึงอากาศสารนันจายตนะว่าอากาศไม่มีที่สุดอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สี่วิโมกข้อที่ห้าก็คือก้าวล่วงอากาศสารนันจายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณนันจายตนะว่าวิญญาณไม่มีที่สุดนี้เป็นวิโมกข้อที่ห้าก้าวล่วงวิญญาณนันจายตนะโดยประการทั้งปวงก็เข้าถึงอากินจัญญายตนะอันนี้เป็นวิโมกข้อที่ห ล่วงอากิญจัญญยาญาตนะโดยประการทั้งปวงเข้าเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะอันนี้เป็นวิโมกข้อที่เจ็ดล่วงเนวะสัญญาณาสัญ ญ, ญายาตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงนิโรธสมาบัติหรือสัญญาเวทายตานิโรธดับสัญญาและเวทนาโดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นวิโมกข้อที่แปดอ น, นุวิโมกแปดอย่างเหล่านี้แหละวิโมกแปดก็คืออนุปภาพวิหารสมาบัติก้านั่นแหละไม่ได้ต่างกันอะไร แต่ว่าอภิพาญตนะแปดนั้นก็เท่ากับวิโมกข้อหนึ่งสองสามได้สามข้อเนี่ยนะได้หนึ่งสองสามส่วนวิโมกแปดนั้นก็คือทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติหรืออนุปุพพาวิหารสมาบัตินั่นเองอนุปุพพาวิหารสมาบัติก้าไล่ตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นจนถึงเนวสัญญาณสัญญาญตนะเนี่ยนะทีนี้การที่พระองค์เนี่ยนะเล่าถึง บริษัท8ดว่าพระองค์ไม่ได้ขั้นคราำในบริษัทแปดพระองค์นั้นนะมีจิตสงบดำรงมั่นด้วยอภิพาัตนะแปดมีวิโมกแปดบอกว่าที่พระองค์ทำอะไรทั้งหมดพระองค์ไม่ได้กลัวและไม่ได้ทำด้วยความงู่เขาไม่ได้ทำด้วยจิตใจที่วั่นวหวนะเพื่อจะให้เล่าให้พระอนลฟังว่าตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจอย่างดีพระองค์ก็เลยเล่าให้พระอนลฟังว่าดูก่อนอนล สมัยหนึ่งเราเนี่ยนะแรกตรัสรู้พักอยู่ที่ต้นอชัชตาละนิโครธสัปดาห์ที่แปดใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาในตำบลอุลุเวลาประเทศก็คือที่แถวแวพุทธคยาปัจจุบันเนี่ยนะครั้งนั้นมารผู้มีบาเข้าไปหาเรายืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งมารผู้มีบาปก็กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปริิญิพาน ขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะการว่าตรัสรู้ได้แปดสัปดาห์เนี่ยหลังจากสวิมุติสุขมานขอร้องให้ปรินิพานไม่ต้องช่วยใครทั้งนั้นแหละเหมือนกันะนะช่วยตัวเองได้แล้วไปรอดแต่เพียงผู้เดียวแล้วต้องเลี้ยวหลังทําไมเนี่ยนะนะนะต้องไปสนใจพวกอื่นหรอกปรินิพานเถอะไปเลยเหมือนกันพระองค์กนะ็บอกว่านะ อนนเมื่อมารกล่าวกับเราอย่างนี้เราก็ได้กล่าวกับมารผู้มีบาปนั้นว่ามารผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราเนี่ยนะถ้าหากว่าภิกษุเหล่านั้นยังไม่ฉลาดยังไม่ได้รับคําแนะนำะนะยังไม่ได้รับคําแนะนำยังไม่เกล้ากล้ายังไม่เป็นพหูสูตรยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังไม่ปฏิบัติชอบยังไม่ปฏิบัติธรรมเรียนกับอาจารย์ของตน เรียนพระไตรปดกเป็นต้นแล้วจากบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำเนกทําให้ตื้นยังแสดงทรมีปาฏิหารเพื่อบรรลุมรักผลคข่มเกลีย ป, ประวัติที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยยังไม่ได้เพียงใดหรือยังข่มไม่ได้ดีโดยสหธรรมเพียงใดเราจะยังไม่ปรินิพานเท่านั้นหมายคำว่าถ้าพระภิกษุยังไม่เก่งภิกษุณีไม่เก่งอุบาสกอุบาสิกายังไม่เก่งเพียงใดพระองค์บอกว่าพระองค์ยังไม่ปรินิพานเพียงนั้น และอันสุดท้ายบอกมาณผู้มีบาปพรหมจรรย์ของเรานี้ถ้าหาว่ายังไม่บริบูรณ์พรหมจรรย์คือศาสนาพรหมจรรย์และอริยมรรคพรหมจรรย์ศาสนาพรหมจรรย์คือคําสอนทั้งมวลของพระองค์ที่ประชุมลงในอทิสีนอธิจิตอธิอธ ป, ปัญญาสิกขาหรือพระไตรปิฎกยังไม่บริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมาก พระมรรจานี้ยังไม่เป็นปึกแผ่นตราบเท่าที่พวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วเพียงใดเรายังไม่ปรินิพานเพียงนั้นอันนี้พระองค์บอกว่าพระองค์ได้เคยบอกมารเมื่อสัปดาห์ที่แปดแรกตรัสรู้หลังจากตรัสรู้ได้ประมาณ4ี่สิบ้าวันห้าสิบวันเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ได้บอกกับมารไว้อย่างนี้ว่าถ้าพิสุพิสุนีวัาสกุวาสิกา ยังไม่เก่งเน่ยนะบรรลุมรรคผลตามสอนตามข่มขี่เป็นต้นยังไม่ได้ตราบไดไม่ยังไม่ปรินิพานหรือพระอาจารย์ยังไม่เพล่หลายก็ยังไม่ปรินิพานอันนี้ชื่อว่าเชื่อมเรื่องเมื่อแรกตรัสรูสัปดาห์ที่แปดเสร็จแล้วบอกวันนี้แหละอ น, นุนวันนี้ก็หมายว่าวันที่อายุพระองค์มีพระชนมายุแปดสิบเนี่ยนะณณณที่ไหน ณปาวานเจดีบอกว่าอนนท์วันนี้เดี๋ยวนี้แลมานผู้มีบาปเข้ามาหาเราที่ปาวานเจดียืนอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมานก็เท้าความ ข้างหลังให้ฝังทั้งหมดว่าพระองค์เคยรับปากไว้อย่างนี้อย่างนี้นะหนึ่งภิกษุสองภิกษุณีสามอุบาสกสี่อุบาสิกาถ้าหากว่ายังไม่ฉลาดยังไม่ปรินิพานบัดนี้ท่านฉลาดแล้วปรินิพานเถือ่อนนะนะบอกว่าตอนนั้นพระองค์บอกว่าพรหมจรรย์ยังไม่แพร่หลายบัดนี้แพร่หลายแล้วปรินิพานเถือ่อนนะนะเพราะฉะนั้นบัดนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงปรินิพานขอพระสุคตปรินิพานบัดนี้เถิดบัดนี้บัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าอ น, นุณเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราก็ได้กล่าวกับมารผู้มีบาปนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนมารผู้มีบาปท่านจงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดไม่นานตถาคตจากปรินิพานล่วงจากนี้ผ่านไปอีกสามเดือน เกสวันตถาคตจักปรินิพานอานน์วันนี้เดี๋ยวนี้แหละเมื่อกู้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตถาคตมีสติสัมปชัญญะป r งอายุสังขารที่ปาวานเจดีพระอนุนเพิ่งตื่นมาเงี้ยเหน็นไหมว่าเพิ่งนึกได้นะอ๋อเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระอนุนก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงดํารงอยู่ตลอดกับ ขอพระสุคตจงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาทั้งหลายพระองค์ก็ตรัสว่าอย่าเลย อ, อ น, นุนอย่าวิงวอนตถาคตเลยบัดนี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะเวิงวอนตถาคตสายไปแล้ววะงั้นนะแม้ครั้งที่สองพระองค์ก็ห้ามครั้งที่สามพระองค์ก็ห้ามเนี่ยนะ สดครั้งที่สมเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าอานนท์เธอเชื่อความตรัสรู้ของพระตถ า, าคตหรืออานนท์เธอเชื่ออริยมรรคยานสี่เชื่อสัพพัญยุตยานของเราหรือรอานนท์ก็บอกข้าพระองค์เชื่อเมื่อเชื่อฉนัยเธอจึงรบเราตถ า, าคตถึงสามครั้งเล่าก็เราห้ามแล้วไม่ใช่หรือเมื่อเธอเชื่อแล้วทําไมต้องรบเรากันถึงสามครั้งอ่าข้าพระองค์ได้ฟังมาตอนนี้ฉลาดแล้วนึกได้แล้ว ได้รับมาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาบนนทธิบาสีอันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นแล้วอ บ, บรมดีแล้วตถาคตนั้นเมื่อจานงอยู่ก็จะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับอานน อธิบาสีตถาคตเจริญแล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งทําให้ตั้งมั่นแล้วอบรมแล้วปรารบดีแล้วอนนน์เมื่อตถาคตจำนงอยู่พึงดํารงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับอนนน์เธอเชื่อหรือบอกว่าข้าพระองค์เชื่อคือพระ่านนน์ก็บอกว่าเนี่ยที่กล้าอาราธนาเพราะพระองค์เคยตรัสไว้อย่างนี้เอางั้นเธอเชื่อความตรัสรู้หรือไม่บอกเชื่ออานนน์เพราะฉะนั้น เรื่องนี้นะเป็นการทําไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียวเพราะเมื่อตถาคตทํานิมิตอันหยาบทําโอภาษแสงสว่างอันหยาบอย่างนี้เธอก็ไม่สามารถรู้เท่าทันได้จึงไม่ได้วิงวอนตถาคตเธอไม่ได้วิงวอนว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงดํารงอยู่ตลอดกับในตอนนั้นน่ะนะ ขอพระสุคตจงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์อานอนท้าเธอวิงวอลตถาคตตถาคตจะพึงห้ามวาจาของเธอสองครั้งเท่านั้นครั้งครั้งที่สามตถาคตจะพึงรับเพราะเหตุและเพราะเหตุนั้นแหละอานอนท์เรื่องนี้เป็นการทําไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียว รับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะแม้ตอนแรกก็บอกโอ้ยเยอะนะเราตถาคตให้นิมิตที่หยาบเนี่ยนะเพื่อจะบอกให้เธออาราธนาไม่ได้ทำอย่างนี้ครั้งนี้ครั้งเดียวอันนครั้งหนึ่งตอนที่เราอยู่เขาคิชกูตใกล้กรุงราชคจรเราก็เรียกเธอมาเล่าให้เธอฟังอย่างนี้เหมือนกันที่เขาคิชกูตรหรือว่าเนี่ยเราอยู่ที่โคตมะนิโครธเมืองราชคจร ที่เหวทิ้งโจนที่ถ้าสัตตบัณฑ์ น, นักูหาข้างเขาเวปุระบรนโพ ธ, ธิกาละศิลาข้างภูเขาอิสิกิริที่เงื่อมสัปปานะโซนดีณป่าศีตะวันหรือที่ตะปูธารามหรือที่เวลุวันกัลันตการนิวาปะสถานหรือว่าที่ชีวกัมพวันส่วนมะม่วงหมอชีวกหรือมัทกุจิมรุกทายาวันที่เมืองราชครึกนะที่นั้นเนี่ยเราก็บอกเธอแล้วว่าอานอนท์ กรงราชคะคึกหน้าเรื่อนรมภูเขาพิจกูรโคตามานิคโครตเหวที่ทิ้งโจรถ้ำสัตบัรณัตคูหาข้างเขาเวพุระ เ, เวภาระบันพศกาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเงื้อมชื่อว่าสัปปานาสนดิสีตวันตโปทารามเวลวันกัลันทะกะนิวาปะสถานชีวกรรมพวันมัทกุจิมรุกทายวันแต่ละแห่งเราก็บอกว่าหน้าเรื่อนรมและเราก็บอกอีกว่า อิทธิบาทสี่ผู้ใดเจริญแล้วเนี่ยนะถ้าประสงค์มีอายุตลอดกลับหรือเกินกว่ากับและพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยนะก็เจริญอิทธิบาทสี่อย่างดีเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีถ้าประสงค์ก็ดำรงอยู่ได้ตลอดกลับเราก็แสดงมิมิตรให้เธอรู้เนี่ยนะที่เมืองราชจะครึกอยู่สิบครั้งนะที่เมืองราชคึกเนี่ยสิบครั้ง แต่เธอก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นการทําไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียวสิบครั้งนะที่เมืองราจะครึกว่างั้นและที่เมืองภัยสาลีนี่แหละที่อุเทนเจดีโคตมกะเจดีสัตตมพระเจดีพหุปุตตะเจดีสารันธาเจดีตลอดจนถึงวันนี้ที่ปาวานเจดีที่เมืองภัยสาลีเนี่ยเราทําอย่างนี้อีกหกครั้ง แต่เธอก็ไม่รู้เนี่ยนะเธอก็ไม่รู้เท่าทันไม่วิงวอนตถาคตว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทร ง, ทรงดำรงอยู่ตลอดกับเถิดขอพระสุคตจงดำรงอยู่ตลอดกับเถิดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ลูกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ดูก่อนอานุน์ถ้าเธอพึงอ้อนวอนตถาคต ตถาคตจะพึงห้ามวาจาเถอเสียสองครั้งเท่านั้นครั้งที่สมตถาคตพึงรับเพราะเหตุ น, นั้นแหละอ น, นุนเรื่องนี้เป็นการทําไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเถอผู้เดียวหมาค่ะว่าแม้พระคริสต์ให้ในายให้แบบเตือนตั้งสิบครั้งนะพระพุทธเจ้าให้ในายตั้งสิบหกครั้งแต่ครั้งสองครั้งก็ยังว่าสิครั้งก็ค่อยอยังช่วนี้ตั้งสิบหกครั้งเธอก็ยังไม่รู้อีก ดูก่อนอ น, นุนเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นนะหมายว่าการจากการจากสิ่งสิ่งของและบุคคลอันเป็นที่รักทั้งที่ชอบใจทั้งหมดนั่นและมีอยู่เพราะฉะนั้นจะหาได้ในสิ่งที่เรารักและบุคคลเหล่านั้นได้แต่ที่ไหนเพราะในที่สุดอย่างไรมันก็ต้องจากนะ จากไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือคนอันเป็นที่รักยังไงก็ต้องละเว้นเป็นต่างๆคือเราจะต้องพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนั่นแหละเพราะสังขารธรรมเหล่าใดเกิดแล้วเป็นแล้วปรุงแต่งแล้วสังขารธรรมเหล่านั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความทําลายเป็นธรรมดาและความปรารถนาว่าขอสังขารธรรมทั้งหมดเหล่านั้นอย่าทําลายไปเลยนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะสังขารทั้งหลายมีความแตกทําลายเป็น ที่สุดอีกอย่างหนึ่งสิ่งใดที่ตถาคตสละแล้วคือขันทั้งหลายเหล่านี้ที่ตถาคตสละแล้วคายแล้วพ้นแล้วละแล้ววางแล้วอายุสังขารของตถาคตปลงแล้ววาจาที่ตถาคตกล่าวไว้แล้วโดยส่วนเดียวว่าไม่ชาตถาคตจากปรินิพานจากนี้ล่วงไปสามเดือนตถาคตจากปรินิพาน ตถาคตจะกลับคืนคำพูดสิ่งนั้นเพราะเหตุแห่งชีวิตอีกนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เรียกว่าสละขันธ์สละชีวิตไปแล้วที่จะกลับมาเรียกเอาคืนอีกบอกไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มาเถิดอนุนเราเข้าไปยังกูตาคารสาลาป่ามหาวันส่วนรายละเอียดคำอธิบายก็เป็นวันต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะ